ยงไงบ้างเนะตื่นเช้าขึ้นมาหลายคนก็คงไมไ่ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าแบบนี้ต่อเนื่องเนาะบางทีก็บางคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเบิกบา น, นแต่บางคนก็อาจจ ะ, ะไม่ค่อยเบิกบานนักเนาะเพราะว่า บางทีก็ร่างกายนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหรือสภาวะจิตใจนะแต่ละวันแต่ละช่วงมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่เราก็เอาไว้เนี่ยเอาไว้ดูนะมันจะเป็นอะไรก็เราก็ห้ามไม่ได้นะเราก็เลือกไม่ได้นะอืคือร่างกายมันจะเป็นอย่างไรนะเราก็ห้ามมันไม่ได้นะ เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรานะถ้ามันเป็นตัวตนของเราเนะเราก็ต้องสั่งได้ต้องบอกได้นะให้มันไม่ทุกข์นะให้มันมีแต่ความสุขนะให้มันอย่าแก่นะให้มันอะย่าป่วยนะให้มันอย่าพึ่งตายนะถ้ามันเป็นตัวตนของเราจริงนะเราก็ต้องห้ามได้ก็ต้องสั่งได้ แต่ร่างกายเนี่ยเขาไม่เคยฟังนะเ <c oughs> ขาจะเมื่อยเขาจะหิวเขาจะสดชื่นหรือเขาจะไม่สดชื่นนะเขาจะง่วงนอนหรือเขาจะไม่ง่วงนอนนะเขาก็เขาก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราจะคิดเราปรารถนานะอันนี้แหละคือเรามาเห็นความจริงนะเวลาปฏิบัติธรรมาจะเห็นชัดว่า เนะี่ยความปวดเมื่อยนะมัน ก, มนก็มันก็เรียกว่าเกิดขึ้นกับร่างกายความง่วงเองก็เกิดขึ้นกับร่างกายนะมันเป็นสิ่งที่แม้เราอยากจะหายปวดแม้เราอยากจะหายง่วงนะมันก็สั่งไม่ได้นะเนะี่ยคือกายมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสั่งได้นะยิ่งจิตใจเองก็เหมือนกันนะยิ่ง ไม่อยากให้มันคิดนะมันกับยิ่งคิดนะก็สึุดไม่เวลามีอะไรเกิดขึ้นนะเรื่องใดเกิดขึ้นในใจที่มันกระทบนะตุนแดงเหระไม่อยากจะคิดนะกับยิ่งคิดนะวิตกกังวลนะเศร้าหมองนะเป็นทุกข์นะเสียดายเสียใจอะไรมันนะอารมณ์พวกนี้นะคนเรานะถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากจะก็คงไม่อยากจะมีหรอกนะเพราะว่า วิตกกังวลน ะ, ะมันก็เป็นทุกข์นะเศร้าเองก็เป็นทุกข์นะเครียดนะก็เป็นทุกข์นะคิดมากนะนอนไม่ดับเลยนะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราเลือกได้นะเราก็คงไม่เลือกที่จะเป็นแบบนั้นหรอกนะแต่เพราะว่ามันเลือกไม่ได้นะมันก็เลยเกิดของมันเอง จะห้ามมันก็ไม่ได้จะบังคับมันเองก็ไม่ได้นะนะอันนี้คืองั้นจิตใจเองมันก็เป็นสิ่งที่มันบังคับไม่ได้นะมันเกิดของมันเองตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่การฝึกของเราเนี่ยไม่ใช่ฝึกเพื่อบังคับกายบังคับใจนะแต่ฝึกเพื่อแค่รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจนะอย่างที่เขาเป็นนะ หรือถ้าจะพูดง่ายๆนะฝึกเพียงแค่รูนะ้แค่รู้เฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านี้นะพอเราฝึกแค่รู้นะมันจะเกิดการแยกได้ว่ากายมันก็อันนึงนะนะกายที่เคลื่อนไหวกายที่หยุดนิ่งหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนะี่ยเหมาไปเลยวนะ่าเป็นเรื่องของกายนะนะเราก็แค่ดูเขาแต่กายบางอย่างก็ต้อง บรรเทาบาบัดบ้างเท่าที่ทําได้นะอย่าไปคิดว่ามันจะบาบัดแล้วมันจะหายนะคือร่างกายเป็นสิ่งที่เราแค่แค่แค่แก้ไขได้บางขณะเฉยๆด้วยการเติมน้ำเติมอาหารด้วยการพักผ่อนด้วยการอาบน้ำด้วยการอะไรต่างๆมันก็แค่บรรเทาให้ร่างกายมันเกิดเวทนาน้อยลง หรือเวลาเราปวดเมื่อยนะนั่งนานๆปวดเมื่อยนะเราก็เพียงได้เพียงแค่กําหนดรู้เออมันปวดอย่างไรปวดตรงไหนนะปวดมากจริงๆก็ค่อยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ด้วยความมีสติเนาะนะแต่บางคนเปลี่ยนด้วยความรู้สึกว่าเกลียด น, นะความปวดเกลียดความเมื่อยเนาะเปลี่ยนแบบเหมือนเราอยากจะนี้มันไปไกลๆนะ ไม่อยากไมอยากทนมันแล้วแต่ถ้าผู้ที่มีสติเนาะก็อืมกําหนดรู้ก่อนว่ามันปวดเราก็เปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ด้วยความมีสตินะไม่รีบไม่ร้อนนะก็เปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนก็กําหนดสติไปด้วยนะพอเปลี่ยนมาแล้วมันอาจจะสบายขึ้นนะก็มไม่ได้ประมาทว่าเออมัน จะไม่ปวดอีกนะมันก็ปวดก็เป็นธรมนะธรมดาธรรมดามองเป็นเรื่องธรรมดานะมีขามันก็ต้องปวดขามีหลังก็ต้องปวดหลังนะมีหัวก็ต้องปวดหัวบ้างมีท้องก็ปวดท้องบ้างนะคือร่างกายนะมันมีอะไรนะมันก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะหรือว่ามีเวทนาในส่วน น, นั้นๆนะ มันไม่สามารถที่จะห้ามได้หรือเลือกได้เลยนะเน้นถ้าเราถ้าใครห้ามได้นะโอไม่มีคนป่วยอยู่โรงพยาบาลดอกนะไม่มีคนแก่นะเพราะคนเราเองก็ไม่อยากจะแก่นะถ้าเลือกได้แล้วก็คงไม่มีใครที่จะตายนะถ้าเราบังคับได้นะแต่เพราะมันบังคับไม่ไดไ้จิตใจเองนะเราก็เพียงแค่รู้นะ แต่จิตใจเนี่ยมันเป็นการตามรู้นะคือมันเกิดความคิดขึ้นมาก่อนสติค่อยรู้ทันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก่อนสติค่อยรู้ทันนะการรู้ทันจิตใจเนี่ยมันเป็นการตามรู้แต่เป็นการฝึกการตามรู้แบบให้มันกร ะ, ะชับนะให้มันบ้องไวให้มันรวดเร็วนะกนะารที่จะไปรู้จิตใจนี่ ไม่ใช่เป็นการเป็นดักรู้นะหรือรอรู้คอยรู้นะนะถ้าเป็นการไปคอยไปรอไปเฝ้านะที่จะดูเนี่ยมันไม่ใช่ลนะเพราะว่ามันหลงนะมันหลงไปคอยนะนะจิตใจเนี่ยต้องให้มันคิดขึ้นมาก่อนนะความคิดก็เกิดขึ้นที่จิตนะแล้วก็ค่อยมีจิตที่รู้นะรู้ทันความคิด ความโกรธความโลภความหลงก็เหมือนกันม oui. ah. ันก็เกิดขึ ổi, <v> ้นท <ynthia. S 1> ี่จิตนะแล้วก็มีจิตที่มีสตินะดูทันมันนะตามรู้มันเวลาเรารู้กายเนี่ยเรารู้ที่ปัจจุบันตรงๆนะปัจจุบันตรงๆนะที่รู้โดยที่ไม่ต้องคิดเลยนะมันเป็นปรีการเพียงแค่รู้แบบซื่อตรงๆง่ายๆนะสบายๆเลยนะไม่ต้อง ไม่ต้องไปกังวลว่ามันชัดหรือไม่ชัดรู้เท่าที่มันรู้ได้นะแค่นั้นเองเป็นการเพียงแค่รู้ว่ามีกายอยู่กายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งนะรู้แค่นี้เองนะรู้เพื่อฝึกแยกว่ากายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งแต่ถ้าขาดสติมันจะเข้าไปเป็นกายของเราเนาะกายเป็นเราปวดกายเป็นเราเมื่อยกายเป็นเราง่วงนอนกายเป็นเรา ไม่สบายกายนะแต่ถ้าเรารู้เราจะเห็นว่ากายมันไม่สบายกายมันง่วงนอนกายมันปวดเมื่อยอใจก็อยู่ต่างหากนะใจก็ยู่างากนะแต่ถ้าหลงก็กลายเป็นเดานะแต่ถ้ารู้นะก็กายก็เป็นกายนะก็เป็นรูปนะแค่นี้เองนะเวล า, เาดูกายหลงก็เป็นเดารู้ก็เป็นรูปนะดูจิตใจก็เหมือนกันนะ เวลาหลงมันก็เป็นเราคิดนะเป็นเราโกรธเป็นเราทุกข์นะแต่ถ้ารู้ก็เออจิตมันคิดจิตมันโกรธจิตมันทุกข์นะแ่นะคือเวลาสติมันเกิดขึ้นนะมันก็จะถอนความเป็นเราขึ้นมานะออกมาจากความคิดจากความโกรธแต่ถ้าขาดสตินะอ้เราคิดไม่ดีนะเราอารมณ์ไม่ดีนะ เราเศร้าเราโกรธเราเป็นทุกข์นะเพราะว่ามันมันเข้าไปเป็นเนาะมันเข้าไปเป็นกับอารมณ์แต่สติเนี่ยมันก็เออพอมีเห็นแล้วมันเหมือนตื่นขึ้นมานะเออเมื่อกี้นะเราหลงเมื่อกี้มันไปหลงไปอยู่ในความโกรธนะเมื่อกี้หลงไปอยู่ในความทุกข์นะพอมีสติมันเหมือนตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้น คล้ายเหมือนคนเหมือ่อคนใจลอยนะพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาจากสะดุ้งเออไปคิดฟุ้งซ่านอะไรน้อยเนนะี่ยเออไปจินตนาการอะไรนะปล่อยใจร่องลอยไปพอรู้สึกตัวเอา้ามันมไม่ใช่ความจริงนี่ไปอยู่ในโลกของความคิดเนาะเนี่ยเหมือนคนนอนดับแล้วฝันนั่นแหละนะ ฝันเป็นจริงเป็นจังนะเป็นนั่นเป็นนี่ได้หมดเลยนะแต่ตัวจริงๆคือ น, นอนอยู่พอสติมันทันมันสะดุ้งขึ้นมาโอ้มันฝันเนา ะ, ะนะความจริงคือนอนอยู่ตรงนี้นะแต่ความฝันเนะี่ยมันปรุงแต่งได้สารพัดมากมายความคิดนะก็เลยไม่ใช่ความจริงเนะอาดมเองนะก็ไม่ใช่ความจริงนะแต่มันเกิดขึ้นนะ จริงที่จิตนะแต่มันไม่ใช่จิตจริงๆเนาะมันเป็นเพียงแค่การเกิดขึ้นนะช่วขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นนะแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นข้างในจิตจริงจริงหลักมันเกิดขึ้นข้างนอกนะมันไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตนะแต่มันเป็นเพียงแค่อาการชั่วขณะหนึ่งถ้าจะเปรียบเทียบนะเหมือนกับแก้วกับน้ำเนะี่ย แก้วอะนะเปรียบเหมือนกับจิตนะเวลาน้ํานะมันใส่ลงไปในแก้วนะมันก็คนละส่วนกันกับแก้วน้ำนะน้ําก็อันนึงแก้วก็อันหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแบบนั้นแต่มันไม่ใช่มันไม่ซึมซับไปด้วยกันนะเวลาเทน้ําออกหรือเรากินน้ําจนหมดนะแก้วก็ว่างเปล่ากลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะ เราจะใส่เหล้าลงไปใส่น้ำผ ล, ลไม้ลงไปใส่น้ำหวานลงไปนะแก้วก็อยู่ของแก้วนะส่วนเหล้นาน้ำหวานหรือผ ล, ลไม้น้ำผ ล, ลไม้ลงไปมันก็แค่เนะ่สัมผัสกับผิวของเนื้อแก้วนะแบบเพื่นๆไม่ได้ซึมซับลงไปนะเมื่อกินหมดหรือเมื่อเททิ้งนะแก้วก็ กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมอาจจะมีคราบสกปรกนิดหน่อยก็ล้างนะนิดหน่อยก็สะอาดแล้วนะ่กลับมาเหมือนเดิมละอารมณ์ก็เหมือนกันนะอาการก็เหมือนกันมันเหมือนน้ำหรือว่าน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่ของเดลวนะที่มันมามาอยู่ในแก้วนะแต่มันก็ไม่ใช่เนื้อแก้วจริงๆจิตใจนะกับอาการ ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจก็เหมือนกันนะมันเหมือนแก้วน้ากับน้ำนะของเหลวที่มันอยู่ในที่มันเข้ามาในแก้วนะมันเป็นเพียงแค่ขนาดหนึ่งเฉยๆเยยนี่ยมันเข้ามานะมาเกาะนะมาจับมายึดจิตใจชั่วขณะหนึ่งถ้าเรามีสติเราจะเห็นอื้อืเ ข, ข้ามาเนาะพอสติรู้ทันปุ๊บมันเหมือนคลๆคว้ามคว่แก้วทิ้งนะ น้ำก็หายไปพอมีพอหลงไปก็เหมือนเราหงายแก้วนะรับน้ําจากเขานะพอวิสติเหมือนคว่ำทิ้งนะเนี่ยมันก็สลับไปเรื่อยๆอแบบนี้แหละนะซึ่งเราก็ห้ามไม่ได้นะอาการที่จะขาดสติมันก็เป็นอาการที่ห้ามไม่ได้นะแม้เราจะพยายามมีเครื่องอยู่นะอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเราพยายามที่จะมีเครื่องอยู่ โดยการทำในรูปแบบนะโดยการเดินจงกงรมรดอยกมือสร้างจังหวะนะแม้จังหวะจะเร็วนะนะทุกๆวินาทีนะเรามีการเคลื่อนไหวแต่จิตคนมันเร็วกว่าวินาทีหนึ่งนะวินาทีหนึ่งจิตมันปรุงแต่งได้หลายขณะจิตเลยนะซึ่งมันนับไม่ได้นะประมาณไม่ได้แต่ช่วงขณะที่เราหยุดแป๊บหนึ่ง หือช่วงขนาดที่ขนาดเคลื่อนนะแม็ก็ดูเหมือนเร็วนะแต่ขนาดนั้นมันก็แทรกได้สามารถคิดได้นะหรือสามารถมีอารมณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เร็วมากนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าพอเวลาเราเราทํากรรมฐานเนาะมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวแทรกเข้าไปในความคิดแทรกเข้าไปในความหลง ถ้าเรามีสติกับกายเคลื่อนไหวได้บ่อยจริงๆเนะี่ยความคิดมันจะสั้นมากนะมันจะแคแบแวบๆเอารับหนึ่งนะไม่ทันจะปฏิติประต่ออะไรมากนะรู้สึกตัวปุ๊บนะมันก็เหมือนสะดุดนะมเหมือนสะดุดนะมันเหมือนคล้ายๆสมมติถ้าเราจะปรุงแต่งนะเช่นเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งนะอนะ่พอเขียนได้คำสองคาปุ๊บนะรู้ทันนะมันเหมือน มันเหมือนลบทิ้งนะพอจะเขียนใหม่อีกรู้ทันมันเหมือนลบทิ้งนะอ่านั้นชั่วโมงหนึ่งนะพายู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเขียนไปมิดได้เป็นวักเป็นหน้าหลักนะเพราะว่าพอมารู้ทันบ่อยๆมันลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งนะจิตเองก็บางทีก็อาจจะคิดแทรกเข้ามาเยอะไม่เป็นไรนะแต่มันจะเห็นแบบเออจิตมันแวบๆนะจิตมันเคลื่อนนะ เรารู้กายเคลื่อนไหวนะรวมทั้งรู้ทันจิตใจที่เคลื่อนไหวเหมือนกันนะอืมจิตมันเคลื่อนนะเคลื่อนออกไปจากจากสภาวะปกติเนี่ยแหละนะคือจิตเคลื่อนเคลื่อนในรูปของความคิดบ้างเคลื่อนในรูปของอารมณ์หรือความรู้สึกบ้างนะเกิดความรู้สึกอพอใจเคยความรู้สึกขัดใจเลยนะ ไม่พอใจเนะี่ยมันก็เคลื่อนอจากสภาวะปกตินะหรือเคลื่อนออกไปสนใจสิ่งที่ตามองเห็นจิตมันจะไหลไปดู อ, อยากดูจิตมันได้ยินเสียงนะมันสนใจอยากจะไปฟังเขาพูดอะไรเสียงอะไรนะความหมายอะไรนะจิตมันอยากจะไปแบบ สูตรดมกลิ่นให้มันนานๆ น, นะอันนี้มันหอมเลยนะจิตมันอยากจะอืคล้ายๆว่าคอเคียกับรสชาติที่มันอร่อยที่มันถูกใจแบบนี้เนาะเนี่ยจิตมันจิตมันจะไม่ถ้ามีสติจะแค่รู้แต่ถ้าขาดสติมันอยากจะคอเคียนะมันอยากจะพเนาพนออยู่กับอารมณ์นั้นนะ อยู่กับรูปที่อยากดูอยู่กับเสียงที่อยากฟังหรือว่าสนใจฟังนะอยู่กับจมูกนะที่มันกลิ่นหอมกลิ่นชอบใจอยู่กับลิ้นนะที่มันอร่อยนะที่มันรู้สึกดีอยู่กับกายที่มันสัมผัสแล้วมันนุ่มมันสบายนะมันเราแช่น้ำอุ่นนะเหนาหนา ว, นาวแล้วแช่น้ำอุ่น้มันสบายนะไม่อยากออกนะ ไม่อยากลบอยากน้าอุ่นนะหรืออยู่ในที่นอนแล้วมันอุ่นผ้าห่มอุ่นๆนะไม่อยากลบอยากที่นอนอันนี้แหละคือมันอยากจะแช่นะแต่ถ้ามันเป็นเพราะว่าเออแต่ถ้ามันรู้ทันว่าเออมันเป็นอาการแบบนั้นเนะจิตมันอยากจะแช่จิตมันอยากจะติดเนาะพอเราเห็นนะมันก็เหมือนจะสะดุ้งออกมา นิดนึงนะแล้วดุ้งบ่อยๆนะจิตมันตื่นบ่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่เราฝึกนะฝึกสติให้เกิดการตื่นในการเห็นอารมณ์นะออกจากมันก็จะออกจากอารมณ์ได้บ่อยๆนะะนั้นวันๆนหนึ่งมันก็อาจจะหลงเยอะนะแต่มันจะหลงไม่นานนะแต่หลงเยอะมากนะหลงจนกทังตกใจว่าฮ <c oughs> มันหลงเยอะขนาด น, นี้เลยนะอ่ ไม่เคยรู้เลยนะว่าชีวิตนี้นะมันหลงเยอะขนาดนี้นะวันวั น, วนหนึ่งนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เห็นตัวเองหลงนะมันอาจจะเป็นทุกข์เลยค่อยรู้ว่าเออแย่แล้วไม่ไหวละเหมือนกับใคร้ายๆเราไม่รู้ตัวว่าเราเริ่มสะสมโรคอะไรละนะพอมันมีอาการชัดนั่นแหละค่อยรู้ว่าเออมันเป็นโรคแล้วมันไม่สบายลนะ แต่ตอนที่มันสะสมนะเหตุของโลคนะมันไม่ค่อยรู้ตัวความหลงเองก็เหมือนกันนะคนเราบางทีก็ไม่รู้ตัวว่ามันหลงนะต่อเมื่อมันทุกข์มากแล้วนั่นแหละค่อยมารู้ว่าเออมันไม่ไหวละนะมันไม่ใช่ละนะแต่ถ้าเรามีสตินะเราจะเห็นความหลงนะเห็นความไหลไปของจิตนะ จิตที่ว่าตั้งมั่นจริงๆมันไม่ตั้งมั่นอะไรจริงๆหรอกนะมันตั้งมั่นแค่ช่วขนาดหนึ่งแล้วก็ไหวไปนะตั้งมั่นช่วขนาดหนึ่งแล้วก็ไหวไปนะแต่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่แปลว่าเราต้องพยายามทําให้มันตั้งมั่นไม่ไม่ไหวไ ม, ไ, หไม่ไหลนิ่งๆสงบนะไม่เป็นอะไรเลยนะเฉยๆซื่อๆนะถ้าเราพยายามจะไปทําแบบนั้นนะ มัเป็นการไปบังคับจิตนะซึ่งมันไม่ใช่ของจริงเนาะจิตเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้แ้วเราก็ไม่ฝึกเพื่อจะบังคับจิตด้วยนะเราฝึกเพียงแค่รู้ทันจิตนะเนี่ยอย่างที่ว่านะมันเกิดอะไรขึ้นนะเพียงแค่รู้ทันนะไม่ใช่เกิดไม่ใช่การพยายามจะบังคับนะไม่ใช่ไปบังคับให้มันไม่คิดไม่ใช่ไปบังคับให้มันไม่โกรธนะ ไม่ใช่ไปบังคับให้มันไม่อยากเลยนะแต่เพียงแค่รู้ทันมันเนาะรู้ปึกให้รู้ทันมันแต่ครนี้บางทีมันรู้แล้วเอ้ยทาไมไม่หายนะรู้แล้วทำไมยังอยากทําตามมันอยู่เหมือนนะอันเะนี้ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็รู้ไปบ่อยๆนะรู้ไปบ่อยๆบางทีรู้แล้วไม่หายรู้แล้วยังอยากทําตามมันอยู่เนะี่ยบางทีก็ต้อง คล้ายๆรู้บ่อยๆคล้ายๆเหมือนเราดับดับไฟนะไฟเราฉีดน้ําลงไปนะสาดน้ําเข้าไปมันยังไม่ดับนะหน้าที่เราก็คือสาดน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะฉีดน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะทำบ่อยๆทําให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้นะอื mm. เดี๋ยวมันก็ค่อยๆลดน้อยลงไปหรือดับลงไปของมันเองนะถ้าเราสามารถทําได้บ่อยๆนะ แต่กองไฟที่ไม่บ้านมันอาจจะใหญ่โตนะยากกว่าการที่เราดับความโกรธในจิตได้ซ้านะถ้าเราฝึกบ่อยๆเนะี่ยมันก็มีสติบ่อยๆเนาะนะนะโดยเฉพาะการออกมารู้สึกที่ร่างกายเนะี่ยมันจะช่วยดับความโกรธได้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเชื้อของอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันได้อาหารจากความคิดนะ ได้อาหารจากเหตุผลได้อาหารจากความถูกความผิดนะเราคิดถูกเราคิดดีมันคิดผิดมันคิดไม่ดีเราเป็นคนถูกเราเป็นคนดีเขาเป็นคนไม่ถูกเขาเป็นคนไม่ดีนะอันนี้มันจะมีอาหารสมควรแล้วที่เขาต้องได้นับอะไรนะมันจะมีเหตุผลเข้ามานะ เชื้อของความโกรธนะเชื้อของความอยากก็เหมือนกันนะเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยมันจะมีเหตุผลมารองรับซื้อสักหน่อยก็ไม่เป็นไน ร, รอกเงินก็ยังพอมีอยู่นะเออมีมากขึ้นอีกอันนึงไม่เป็นไน ร, รอกเดี๋ยวตายไปก็เดี๋ยวลูกหลานาไปบริจาคเลยนะมันก็จะมีเหตุผลเข้าข้างเราเยอะแยะมากมายที่อยากจะให้ทำ นั้นวิธีการที่ง่ายมากเลี่ยเนี่ยพอเ ร, เรากลับมากรรมฐานเนี่ยเรากลับมาดูกายนะมันเพราะกายมันรู้โดยที่ไม่ต้องคิดนะมันรู้แล้วมันก็จะวางความคิดไปได้ขนาดหนึ่งคือไม่เอาเหตุเอาผลเลยนะไม่เป็นต้องไปเอาเหตุเอาผลกับความโกรธหรือความอยากอะไรนะเออแต่มันอยากจะคิดกับเรื่องของมันนะแต่พอเรากลับมารู้สึกตัวโดยเฉพาะอาศัยร่างกายเนะี่ย มันจะทําให้เออมันวางมันวางอารมณ์ได้ได้เร็วขึ้นเนาะได้เร็วขึ้นแต่ไม่ใช่พยายามที่จะแบบว่าไม่สนใจรู้อารมณ์นะเออเรารู้แล้วนะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับอารมณ์นั้นได้มากกว่าเพียงแค่รู้นะไม่ต้องไปรู้โดยการพยายามคิดว่าอืมทำยังไงทํางไงดีน่าถึงจะไม่คิดนะอันนี้ก็คือคิดนะ คิดว่าทําไงถึงจะไม่คิดน ะ, ะหรือว่าทําไงนอถึงจะหายโกรธนะหรือวลาเราโกรธตัวเองที่มันโกรธอยูนะ่เนาะมันก็ยิ่งยิ่งหนักเข้าไปนะแต่พอเรากลับแค่มารู้สึกตัวเนี่ยอมืมันก็ละความโกรธได้แล้วละความคิดได้แล้วเนี่ยทําแบบนี้นซื่อ ง, ง, ง่ายๆถ้ามันจะรู้สึกแล้วอ๋อแค่ แค่กลับมารู้สึกแบบนี้นะจิตก็มีเครื่องอยู่จิตก็ระความโกรธละความอยากได้แล้วช่วขณะหนึ่งนะแต่ความอยากความโกรธก็ไม่ใช่จิตจริงๆหรอกนะมันเป็นแค่ตัวหลงนะที่มันก็เป็นไปเรื่องของมันนะรู้สึกเออมันก็เป็นเรื่องของมันนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะจิตจะโกรธจิตจะโลภจิตจะหลงนะ มันก็เป็นเพียงแค่อากาศที่มันเกิดขึ้นนะแต่จิตที่รู้นะมันก็เป็นอันหนึ่งนะมันก็จะแยกนะจิตที่หลงก็อันหนึ่งจิตที่รู้ก็อันหนึ่งเจนบางทีหลวงพ่อเขียนนะท่านแยกให้ง่ายนะก็ไม่มีอะไรมากนะมีแต่รู้กับหลงนะชีวิตเนี้ยมีแต่รู้กับหลงนะชีวิตเนียถ้ามันหลงมากมันก็รู้น้อยถ้ารู้มากก็หลงน้อยก็แค่นั้นเองนะ มันอยู่ที่ว่าเราจะขยันรู้หรือขยันหลงเ <ł> <acity> นี่ยถ้าเราขยันรู้นะความหลงมันก็น้อยลงความหลงก็ครอบงำจิตใจได้สั้นลงนะนะถ้าเราขยันรู้นะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราขยันหลงนะตัวรู้ก็เกิดขึ้นได้น้อยนะมันจะกลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้าเลยนะ กลายเป็นคนที่เราไม่สนใจไม่รู้จักเลยนะแต่จริงโดยธรรมชาติทุกคนนะมีความรู้อยู่มีตัวรู้อยูนะ่มีสภาวะจิตที่มันปกติอยู่สภาวะจิตที่ปกติเนี่ยแหละคือเป็นสภาวะก่อนที่มันจะหลงนะก่อนที่จิตจะโกรธนะมันก็มีสภาวะที่มันไม่โกรธนะ ก่ที่มันจะหลงนะมันก็มีสภาวะที่มันไม่หลงนะมันมีสภาวะนี้อยู่นะแต่บางทีเราลืมเข้าไปนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกลับมาสู่สภาวะที่มันเป็นปกตินะมันเป็นสภาวะจิตเดิมแทนะ้ที่มันไม่ได้เป็นทุกข์นะแต่เพราะหลงขึ้นมาเนะี่ยเลยปรุงแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ แล้วก็อเสืบเนื่องกลายเป็นทุกข์บ้างเนะนี่นคือเราฝึกเพื่อแยกเนาะฝึกเพื่อแยกนะก แ, ยกนะแยกกายกับจิตนะแยกความคิดหรือตัวหลงกับตัวรู้นะฝึกแยกแบบนี้บ่อยๆจนกระทังมันเห็นว่าเออมันก็เป็นเพียงแค่กายนะมันก็เป็นเพียงแค่ธาตุสีนะ่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะเป็นอาการของอวัยวะต่างๆนะ นะเป็นเพียงแค่เรื่องของรูปซึ่งมันก็ห้ามไม่ได้บังคับไม่ไดนะ้ส่วนจิตใจเองนะมันก็มองเป็นขันนะขันห้านะก็มีส่วนที่ประกอบด้วยกายคือรูปนะแต่ที่เหลือก็คือนามนะแต่นามเองก็อาศัยรูปเกิดขึ้นนะจากสุวิญญาณนะคือการการเห็นนะการรับรู้ทางตาเนะี่ยก็ต้องมีตานะมันถึงเห็น มีหูก็เลยจกเกิดโสตะวิญญาณนะคือการรับรู้ทางหูคือเสียงนะรูปกับนามนะก็เกี่ยวข้องกันแต่ถ้ารูปนามที่เกี่ยวข้องอยังไม่มีสติเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งนะคล้ายคล้ายเหมือนไฟที่มันลามทุ่งเนาะนะมีไฟเข้ามานะย่าแห้งๆนะลามไปไกลเลยนะไม่ดับนะ แต่ไฟที่มันกระทบเข้ามานะถ้าเราฉีดน้ำดักตรงนั้นนะมันจะไม่ลามนะมันก็เพียงแค่ตากระทบรูปนะหรือบางอย่างมาอาจจะมีสัญญามาเลลึกได้ว่านี้คือรูปอะไรเนาะมันก็แค่นั้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันไปมากกว่านั้นมันก็จะกลายเป็นชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้อไนะไรเนาะปุงแต่งเข้าไป แต่การมีสติมันเป็นเพียงแค่เออเหมือนเราฉีดน้าอ่ไว้ดักไฟเนาะอะแลเวาคนที่เคยดับไฟป่าจะรู้ว่าถ้าไฟมันมาแดงๆเนี่ยเราไม่ได้ไปฉีดน้ําดับไฟตรงๆหรอกนะเราจะฉีดน้ําในที่ที่ไฟมันจะลามเข้ามาพอไฟมันลามมามันถูกตรงที่ฉีดน้ําแล้วมันเหมือนมันเปียกเนาะตรงไหนมันเปียกนะไฟมันก็ต่อไม่ได้ อันนี้คือเวลาเราดับกิเลสก็เหมือนกันนะเราก็คือแค่รู้ทันมันนั่นแหละนะไม่ได้ไปต้องพยายามดับมันนะแค่รู้ทันนะเขาก็จะดับของเขาเองอันนี้แหละเนาะคือสิ่งที่สิ่งที่เราทำเนาะก็คือพยายามฝึกแบบนี้นั่นแหละนะมันเป็นเหตุเป็นผลโดยโดยไม่ใช่การคิดเนาะแต่มันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยมากกว่านะ เราทำเหตุแบบนี้นะก็เกิดผลแบบนี้นะเราทำเหตุโดยการรู้สึกตัวนะผลก็คือเกิดการรู้ตัวนะก็เกิดความไม่ทุกข์นะถ้าเราทำเหตุโดยการที่ไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์นะผลก็คือมันก็ตามความคิดตามอารมณ์ไปนะก็กลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์เนะนี่ยคือก็คือการที่ การประพฤติปฏิบัติก็คือตรงนี้แหละนะอันนี้เรียกว่ากรรมนะกรรมคือการกระทำนะกรรมไม่ใช่แปลว่าใครจะให้อะไรกับเรานะกรรมคือการกระทำของกายของวาจาของใจนี่แหละนะอ่ามันเป็นกรรมนะอ่การทำกรรมาฐานก็คือการทำกรรมที่ทำให้เรียกว่าอยู่เหนือกรรมนะ อยู่เหนือความทุกข์นะอยู่เหนือความสุขนะนัก็ฝากไว้นะชาววันนี้นะ